สมาชิกใหม่หลายท่านเข้ามานับปฏิบัติแต่สมมค่ายมาร่วมค่ายใหม่ก็เลยว่ามีเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจกันบางคลยังไม่เคยเข้าค่ายนะฮะอาจจะทําใจไม่ถูกก่อนหน้านี้เรามีการทําความเข้าใจเรื่องของเรื่องของการ ระวังนะฮะสํารวมระวังเพราะว่าไม่เหมือนในงานอบรมทั่วไปอบรมทั่วไปนี้เราปรับอินซีปรับอะไรกันก็เสียงแหลมนิดหนึ่งเสียงเบาเพราะนั้นเวลาเรามาเข้าค่ายเราจะต้องเราต้องระวังเรื่องสารที่เราจะ วิ่งไปวิ่งมาพลานเหมือนกันในงานในงานอบรมไม่ได้นะเราพยายามจำกัดพื้นที่ของเราเนะพื่อที่จะให้รักษาพื้นที่ของตัวเองเพราะี่เทีมอเขาใค่ายนี่มันได้ปฏิบัติมาแล้วเขาเข้าใจความหมายนะ แล้วก็ของที่มาเข้าค่ายเนี่ยต้องของเฉพาะจำเป็นถ้าเรเยอะเกินไปแย่เป็นภาระฉะ น, นี้พื่ิทอยากจะให้ทำตัวให้เบาสบายเพราะว่าในการปฏิบัตินี้เราเข้าใจแล้วว่ารูปมันก็ต้องมี ทุกตามเรื่องของมันแต่เราจะไปให้ลูกเน้อวิ่งกับความทุกข์ของจิตด้วยจิตที่มันวิ่งว่อนไปเรื่องนน้นเรื่องนี้ถ้าหากว่าเราไปกับอาการของจิตมันก็ดูว่าเราไม่รู้จักลูปนำพยายามที่การเคลื่อนไหวแต่ละจุดแต่ละแห่งเนี่ยเราจะต้องพิจารณา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 ถ้าคนทั่วไปไม่มีปัญหานะคนทั่วไปก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องของสภาวะของกายของใจแต่เราที่มาเข้าค่ายในส่วนใหญ่เราได้ผ่านการปฏิบัติมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ย <c oughs> ต้องมาเรียบเรียงกายเป็นเรียบเรียงวาจาเป็นพามีสติเข้าไปจัดการแต่ถ้าเราไม่มีสติ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 เราก็จะไม่สนองมันทุกเรื่อ ง, น, งนะอยากลุกก็ลุกอยากเดินก็เดินอยากพูดก็พูดอยากไปก็ไปอย่างนี้นะเราก็ตอบสนองมัหมดนี้ไม่ได้จะทําให้ความอยากเรามีกําลังจิตของเราดำดิ่งอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบสอบสวนเสียก่อนว่า มันจำเป็นไหมเพื่ออะไรเป้าหมายเพื่ออะไรที่แช้เขว่าสัมปทัญญะซึ่งได้กลับบ่อยๆเรื่อ <regardez> งสัมปทัญญะเสียงมีงหลุ่มๆปรับอนี้เสียงมันไม่น่จะไม่เป็นก็ถ้าหากว่าเราจัดการเป็นเนี่ยสติสัมยามันก็จะถูกกระชับ มีน้ำหนักของมันเองถ้า ส, สติเสียเบาบางเกินไปไม่สามารถควบคุมความอยากได้อยู่มันก็ทากายทาอากัปปิยะทางกายทางวาจาของเราเนี่ดินนด้นรนกดแขวนไปตามเลือกของมันเพราะนั้นเรามานี่มาศึกษามาศึกษาการมาศึกษาใจเพราะนั้นเราก็ศึกษาทุกๆเวลาทีเดียว นะแต่กาศึกษาตอนที่เรามาปฏิบัติเสียงแหลมลงเสียงมันทุ่มไปนะนะถ้าหากว่าเราศึกษาแล้วมันจัดการไม่ได้แล้วจับจุดยังไม่ถูกนะนแต่ละขณะแต่ละขณะเรามาดูอาการของจิตโดยใช้สติสัญญเนาปิดตัวป็นตัวกากับไม่ใช้ตัวอยาก เป็นตัวกำกับการแสดงนี่ดังนั้ว่าสถิสัญญาเราก็ได้ศึกษากันมานานพอสมควรโดยเฉพาะสถิสัญญาที่เป็นแบบวิปัสนาแบบเคลื่อนไหวของโคพเทียนมันจะต่างจากน้อจากต่างจากพุโทโธเป็นสถิติญาติที่ที่มีมีกำลังที่สัมผัสได้ไม่ใช่สถิติาตแบบ เก็บกดหรือบีบคั้นถ้าหากพวกเราบรีบคั้นจิตใจของเราทัศนะกดดันแล้วเนี่ยมันจะมีพลังที่คอยดุนคอยดันของเราประเภทที่ควบคุมไม่ค่อยได้มันจะพล่านไปถ้าเราเผลอแต่ถ้าสติสัญญาที่มันถูกต้องคือเป็นสีสัญญาที่สามารถจัดการกับจิตได้แต่ไม่ใช่วางคับจิต วารตรวจสอบจิตของเราว่าแต่ละขณะนะเป็นอย่างไรเวทนาทางกายนี่เราแก้ไขาบาบัดได้อยู่แล้วนะเพราะนั้นการจะปรับอย่บเปลี่ยนในแต่ละครั้งเนี่ยวทนาทางกายตรวจสอบแต่ละเวลาว่ามันทนได้ไหมนะซึ่งเรื่องนี้เรามาค่ายเพื่อมาศึกษาตัวเองอย่างละเอียดทีทวน เพราะถ้าเราอยู่ที่บ้านก็ดีหรืออยู่ที่สนามปฏิบัติอย่างที่นี่จะต่างจากอาสมที่สนามปฏิบัติที่เป็นสถานปฏิบัติอย่างที่เราผ่านมาซึ่งมันจะมีลูปบังคับไปในตัวอยู่กับที่ไปในตัวแต่ที่นี่เราไม่มีลูป บ, บังคับหมายถึงว่าใครจะอยู่ตรงไหน ก, ก็ได้ แต่ว่าให้จํากัดอยู่สถานที่ตรงนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยนะถ้าหากเราเปลี่ยนไปตรงนิดเตัวนี้ น, น่อยเราก็เอาตัวเองไม่อยู่ก็ดูเหมือนว่าเราอตอบสน อ, องความอยากของเราเพราะนั้นเองเมื่อเรากำหนดที่ใดที่หนึ่งปฏิบัติแล้วเนี่ยการที่จะ <c oughs> โยกย้าย <c oughs> อ่า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 อาการนั้ น, น, นว่าเอ๊ะทำไมใจเราอยากจะทำางนน้นอยากจะเอาอย่างนี้แสดงว่ามันไม่สบายแล้วกลับไปดูกลับไปไปศึกษาในสำนวนบาลีท่านใช้ว่าปรึกษากับการัชกายหรือปรึกษากับนามกายคำว่านามกายคือปรึกษากับตัวสติตัวปัญญา เป็นสันสนา ม, มากายเป็นกายชค่ที่หนึ่งเดียเป็นนามแต่ก็ไม่ใช่นามมะลูปแต่เป็นนา ม, มากายเราเพิ่งเพิ่งได้ยินนะนามมะลูกรูปนามนามลูปแต่นา ม, มากายเราเมื่อคได้ยินแต่ไม่ใช่ธรรมกายตังรร้งใกจะธรรมกายเพราะฉะนั้นเราจะต้องละเ อ, อียดและครอบพอสมควรนะนะในการฝึกฝนปฏิบัติ คนที่เคยฝึกแบบอื่นเมื่อก่อนน่าจะฝึกสมถนะคือเก็บกดด้วยความเงื่อนไขยอย่างใดอย่างหนึง่งบังคับให้จิตไม่คิดแต่วิธีการเคลื่อนไหวของโุเทียนไม่ใช่การบังคับจิตไม่ให้คิดนะี่ยแต่เป็นการศึกษาจิตเรียนรู้จิตว่าจิตมันเป็นอย่างไรแต่ละขณะแต่ละขณะ โดยใช้สติสัมยาติที่เราเพียนยกเพียนย่างเป็นตั้งเป็นเดินอยู่นี้เป็นตัวกำกับถ้าเรายังคลานไปกับอาการของจิตอยู่แสดงว่ า, าการยกมือกันขึ้นไหวเดินจูงงของเราไม่มีผลอะไรไม่มีผลที่จะเข้าไปจัด ก, การกับจิตได้นะเพราะฉะนั้นพยายามนะพยายามที่เก็บตัวเอง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 เที่ยกานคองอากาศไม่จัดขึนไปแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ <c oughs> นั้นเมื่อเราเข้าใจลักษณะอย่างนี้แล้วนี่มันก็ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นในการดูแลตัวเองว่าเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่ อ, อการความสงบต้องการความสุขต่องการผ่อนคลาย และต้องการเข้าใจทีนี้เมื่อจิตของเรามันมีอาการที่ไม่สงบไม่ผ่อนคลายและไม่เข้าใจเราก็จะต้องหาวิธีแล้วทาความเข้าใจแต่ถ้ายังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้ก็ต้องถามครูบาอาจารย์แทนที่เราจะวิ่งไปตามอาการของจิตที่ทําไมเป็นอย่างนี้ นี่ก็เรียกว่าศึกษาเป็นอันนี้โยมคนหนึ่งมาถามเอ๊ะ เ, เดินไปก็เดินเพลิ น, น, นสบายแต่พอนานๆไปทำไมมันหนักขึ้นเรื่อยๆหนักอาการมันหนักตึงอ๋อแสดงว่าเราไปกดมันไว้เราเพลินก็จริงแต่ เ, เราไปกดมันไว้ยิ่งกดมันก็ยิ่งหนักนะพอไปถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกมั น, มนอึดอัด น, นั่นแสดงว่าเราทําแบบสมถะคือทําแบบกดอาการ เราไม่ได้ทําแบบศึกษาศึกษาอาการอาม่าก็บอกว่าให้เดินเนี่ยไม่ใช่เดินอยู่หมดเดียวเดินอยู่ลักษณะเดียวเดินก้าวหน้าก็เดิ น, ห, น, านหายหลังดูบ้างเดินเอาส้นลงก่อนก็เอาหน้าเท้าลงก่อนดูบ้างเดินเอาหน้าเท้าลงก่อนก็มาลงตรงกลางบ้างตลตรงกลางก็เอายอีงข้างเหมือนบ้าง เดินเข้าหน้าเท้าหลังมันชินก็เดินออกข้างมันมีหมดกันเดินการวางเท้าตั้งหลายอย่างแต่เรื่องคำเดิอนของเราเรานึกไม่ถึงเนี่ยแต่พอมาพาทำแล้วมันก็ของง่ายๆจะมานึกไม่ถึงเพราะเราไม่เป็นผู้ศึกษาเราเป็นผู้จะตั้งใจทําทําทําอย่างเดียถ้าศึกษานี่เราศึกษาวิธีการยืนการเดินการนั่งมันมีกี่อย่างที่สามารถจะทําได้ก็ฝึกทํามันไปนะ แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาคือ น, นึกถึงเคยทำํำแบบก็ทําแบบนั้นมันเป็นความเคยชินแต่พอเรานึกที่จะศึกษาไอ้นั่งแบบนี้เ อ, องนั่งแบบนี้ดูบ้างเออนั่งแบบนี้ดูบ้างได้ไหมอ่ะมันเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ไปในตัวเพราะจิตขอเราถ้ามันชินอยู่อาการไหนหนึ่งมันชินแล้วมันก็มันก็เหมือนเพลินไห็ เ, เสียงตุกล่องนะอ่ะมันก็เกิดความเบื่อและสิ้ นะไม่เกิดอาการสนุกในการศึกษาเพาฉั้นมานี้เป็นเรียกว่าค่ายปรมาภาวนาไอการศึกษานั้นเป็นประมาสนะเราทำด้วยการศึกษาเราไม่ได้ทำด้วยการต้องการอยากที่จะเอาศึกษาลงลึกในรายละเอียดในที่ที่เรากดเื่องภารกิจที่จะทำแบบทั้งบ้านออกหมดอ่ะ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 ในตัวรู้ตัวนั้นมันจะไม่มีสมาธิแการที่เราอยู่เป็นจังหวะและ้วลืนเป็นจังหวะมั น, ม, นมันเหมือนเลียงเลียงอิฐที่เขาก่อเขดีไม่ใช่ว่าจะอิฐแต่ไปผ้าของเราที่มันเลียงเส้นไปเส้นเลยมันต้องใช้เคยเห็นเขาตอกหัดึงกระชับมากเลยผ้าที่ทอมถึงได้แน่นเสือ้ออันนี้ก็มันกันพรมเนี่ยถึงไม้จะมาจากโรงงานก็จริง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 อย่างเราเห็นแสงสว่างแสงสว่างเนี่เป็นผลของการเกิดดับที่มีความถี่สูงที่เรียกว่าขั้วลบขั้วบวกขั้วลบคือขั้วดับขั้วบวกคือขั้วเกิดนะเกิดดับในอัตราที่ 3,000 ครั้งต่อวินาทีแล้วแต่แรงเห็นต่ำลงมาก็ 1,000 ครั้งต่อวิ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 แต่พอเรามาเห็นพิจารณาถึงความหมายว่าทำไมท่านจะต้องให้ทำแบบนี้เพื่ออะไรนะแล้ววิธีการขึ้นไหวแนี้หลายคนพยายามที่จะปรับพริกแพลงอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันก็ไปไม่รอดได้ผลออกมาไม่ไม่ตรงแต่พอมาทำตามสูตรที่งพ่อเทีนแนะนำมันจะลงตัวงมันพอดีปับป๊บปับ๊บๆบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่จำเป็นนะ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 มันกรผลิตจังหวะตัวนี้ออกมาใช้สมัยแรกๆที่จะมาหรือวผมยังเข้าใจไม่ได้ก็คิดว่าเออทำให้ดีที่สุดเพื่อการเป็นการบูชาครูอาจารย์เราเชื่อท่านเราฟังท่านก็ทําเหมือนท่านอย่างน้อยไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็เหมือนว่าได้บุญได้ศรัทธาแล้วก็ทําใจขนาดนั้นนะเพราะเรายังไม่เข้าใจก็ต้องทําใจเอาฝืนทําไปอย่างน้อยก็เป็นการบูชานะ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 ขยันในการหาเมื่อเรารู้ความหมายการเคลื่อนไหวอย่างมีสติถ้าเรารู้ซึ้งถึงสติอันนี้สมและประโยชน์ของสติมันก็ยิ่งทำอย่างกระชับแล้วมันระมัดระวังนะเพื่อให้ได้น้ำหนักเป็นชิน้นเป็นอันเราไม่ได้ทำแบบทิ้งทิงง้งคงว่างทำแบบแก้เขือนแก้ เคแกเบื่อแกสิ่งไปงั้นไม่ได้ทำแบบนั้นทำเพื่อให้ได้เห็นความกระชับเหมือนกับช่างหูที่เลี้ยงได้ที่ไเส้นและเส้นและเส้นและเส้ น, สนการเรียบเลียงแต่ละครั้งมันหมายถึงความปั้งขึ้นของพื้นที่นังการถักทอตัวรู้ก็เป็นแผ่นเป็นผ่าเป็นผนืนก็เรียกว่าฐานแล้วสติปฐานคือการเรียบเลียงขอสติเข้าไปเสื่อที่เรานั่ง ผุมที่เรานั่งมันคื อ, ค อ, ค อ, คอการเรียบเรียงของได้ทีลรเส้นเส้นเสือทีไรเส้นและเส้นและเส้นถูกถักต่อเข้าไปอย่างมีระเบียบอย่างมีเล็บบกลายเป็นผืนใหญ่ผ้าที่เราห่มเนี่ยเครื่องจักรมันก็น เ, เป็นการเรียงได้เพราะทีไรเส้นและเสนพพ้นและเส้นจนภาพผืนใหญ่แต่ถ้าโบราณก็คือเรียงเข้าไปทีไรเส้นพอสมัยใหม่มันเจริญแล้วนะมันเครื่องจักรมันก็เรียงทีละเสน้นเหมือนกันแต่มันเรียงได้ไวตามระบบที่ตั้งไว้ เท่าไรเส้นต่อนาทีสันดีก็ดีการเคลื่อนไหวทั้งหมดทั่วเนื้อทั่วตัวของเราเนี่ยมันเหมือนกับเส้นด้ายที่ยุ่งเหยิงการที่เราจับมาเรียบเรียงสมัยเรียบเรียงการเดินการยืนการนั่งการนอนการยกมือเป็นเป็นจังหวะจังหวะเพื่อเรียบเรียงเส้นด้ายของความรู้สึกถักทอเข้าไปให้มีความหนักแน่นมีความกว้างขวาง พอที่จะเป็นที่ตั้งของสตินะพอตั้งของสติก็ทําให้สติของเรามีที่ตั้งมั่นคงนะในสูตรของท่านว่าให้ตั้งในสี่ฐานเนี่ยฐานร่างกายจะเอาสติตั้งไว้ที่ไหนบ้างนะฐานของวาฐานของเวทนาจะเอาสติตั้งไว้ตรงไหนฐานของจิต ทานของอารมณ์ชื่อด้กกล่าวไปในวันก่อนแล้วอันนี้จุดหนึ่งดึงการสร้างจังหวะให้เห็นความสำคัญนะแล้วมาอีกจุดหนึ่งที่จะกล่าวถึงก็คือที่หลงพ่เทียนกล่าวไปเมื่อกี้ว่าพระุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะยานสามนะยานสามแต่ทีนี้หลวงพ่เทียนท่านไม่ได้ให้ไม่ได้รู้เรื่องปริยัตมาก่อนแต่ว่ามันเป็น การเข้าถึงญาณ น, นั้นโดยโดยโดยประสบการณ์ของท่านเองแต่ว่ามันก็ไปตรงที่พระเจ้าท่านเป็นแม้ภาษาประยัดท่านจะไม่ถนัดแต่ว่าท่านก็เมื่อเอ่ยอ้างถึงแล้วก็นํามาว่าญาณทั้งสามภูเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปัฏฐานะอาสักขายายาัยญาณญาณสามหมายวามว่าไงหมายความว่า ปุเพน่วาสานุสติยานวิญญาณา ร, รู้ว่าความคิดและอารมณ์ที่มันมีมาก่อนเนี่ยมันเกิดไปแล้วถึงได้รู้ว่ามันมีมันเกิดไปแล้วเป็นเป็นอดีตไปแล้วคาว่าปุเพนิเป็นอดีตไปแล้ ว, ว, ลย อ, ลวอย่าความคิดเกิดขึ้นเนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องไป็ลาวไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้มันมาอย่างไหแต่เพราะว่าปฏิบัติพอท่านดูกายดูใ จ, จเฉลยสติไปท่านไปเห็นอ๋อ <ค><ด> เ, เห็นความคิดเริ่มเห็นความคิดแต่ก่อนนั่นไม่เห็นมีแต่เข้าไปในความคิดเวลามันคิดอะไรก็เข้าไปเป็นเรื่องนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่มีญาณมาก่อนแต่พอท่านเกิดญาณตัวนี้ปั๊บท่านเห็นอ๋อนี่ความคิดมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องได้แต่เห็นว่ามันมันเป็นเรื่องแล้วที่นั่นก็เลยตามเข้าไปเอ๊ะมันตามปุิเนี่ยมันก็จะต้องมีที่เกิดสิ มันไม่ได้เกิดลอยๆเนี่ยความคิดมันเกิดมาจากไหนความคิดที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย ท, ที่ท่านเห็นเนี่ยมันเกิดมาจากไหนท่านก็เลยตามตามเข้าไปดูร้อยครั้งพันหนนความคิดที่ไม่ทนันตั้งดูใจดูใหม่คิดใหม่ตั้งใจดูใหม่คิดอีกทั้งตั้งใจดูตั้งใจดูหลายครั้งก็ขยับเข้าไปขยับเข้าไปใกล้ต้นตอมันจที่สุดไปเห็นว่าอ๋อความคิดเกิดมาจากการกระทบของสองอยตนะคือ อายัดนาภายนอกและอยายัดนะภายในกระทบกันเมื่อกระทบกันแล้วเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเหมือนกับเราตีะระฆังะระฆังมีอยู่ถ้าไม่มีการกระทบเสียงะระฆังเกิดไม่ได้พอพอกระทบปับ๊บมันมีเสียงเกิดขึ้นแล้วก็การดับไปของเสียงนั้นอ๋อ ตอนแรกเรารู้ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่รู้เสียงเกิดจากอะไรเพราะตามเสียงไปมันเกิดหลายครั้งตามอ๋อมันเกิดจากกันตีละครังนี่เองเหมือนกันตอนแรกเห็นรู้ความคิดแต่ว่าไม่รู้มันเกิดจากไหนท่านก็ตามเข้าไปตามเข้าไปตามเขาไปเหมือนเราอยู่ที่ได้ยินเสียงอะไรใกล้ๆมันดังมาเรื่อยๆเราก็ตามเสียงนันไปว่ามันเกิดจากที่ไหนตามเข้าไปโอ้ เขาตีมันและขังไม่ได้ดังเองเหมือนกันเพราะมันเกิดความคิดขึ้นมาตามเขาไปดูตามเขาไปดูตอนแรกอาจจะตามดูไม่ทันตามดูหลายครั้งก็อ๋อมันกระทบกระทบอะไรอะตากระทบรูปมีไหมขณะนี้ลืมตาขึ้นมีการกระทบรูปทันทีดับตรงการเห็นหายไปหูเสียงมากระทบหูเกิด เป็นเสียงกืิ่นมากระทบเจมูกรถมากระทบลิ้นสัมผัสมากระทบกายอารมณ์มากระทบจิตโอ้มันมีการกระทบถึงหกร ะ, ะดับแล้วจะไปทันมันได้ยังไงอย่างที่กล่าวไปวันก่อนว่าการที่จะจะไปตามดูการกระทบแต่ละจุดเนี่ยมันไม่มีทางทันมันไวในที่สุดท่านก็ไปดูที่ปลายทางของมันทีเดียวคือดูตรงที่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 จิตจะประมวลออกมาทันทีก็เริ่มเข้าไปดูจิตเลยทีเดียว <Yeah. S 1> เมื่อมันกระทบตาหูจมูกลิ้นกายมวลที่จิตทีนี้การกระทบของอายตนะทั้งหกเนี่ยมันน่าจะแบ่งเป็นไปในใสักสามกลุ่มกลุ่มที่กระทบตลอดเวลานอกจากเวลาหลับคือตากับหูตาเนี่ยลืมขึ้นกระทบได้ตลอดเวลา หูเสียงอะไรเกิดขึ้นมาทบได้แต่เวลาแต่ในขณะนี้กลิ่นที่มากระทบจมูกไม่มีลดมากระทบลิ้นไม่มีนั้นการกระทบเป็นบางครั้งบางคราวมีอยู่กลุ่มหนึ่งคือจมูกกับลิ้นกระทบในบางครั้งกลุ่มที่สามคือกายกับใจอกาย เย็นร้อนอ่อนแข็งขึง้นึนกระทบตลอดเวลาเหมือนกันการเย็นอากาศร้อนกระทบได้ตลอดเวลาอารมณ์นอกจากตัวมันเองจะกระทบกับสิ่งกระทบแล้วตัวมันเองยังรับการกระทบจากตาขงขจมูกลิ้นกายอีกตัางหาอ๋อมันก็เลยกลุ่มแรกมันจะรับจากข้างนอกนะเสียงมาจากข้างนอก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 กายกับใจเนี่ยทั้งเกิดในตัวเองและรับมาจากท้งอื่นแต่ตากับหูเนี่ยรับมาจากข้างนอกอย่างเดียวจมูกกับลิ้นเป็นบางครั้งเมื่อเรามีกลิ่นเมื่อเราทานอาหาร พ่อประมวลผลออกมไปดูการกระทบที่จิตเลยทีเดียวนะไม่ว่ามันจะกระทบระยะสั้นระยะยาวตลอดเวลาหรือบางครั้งบางค่าวไปดูอาการของจิตจิตก็จะประมวลผลออาเป็นความคิดความคิดเกิดสมุนเสียงละคังการกระทบของยถาณะทั้งสองเปิดมือระคังกับคอนกระทบกันระคังเป็นยถาณะภายในค้อนเป็นยถาณะภายนอกเสียงที่เกิดจากการกระทบเป็เสมือนความคิด เราคิดที่เกิดแล้วก็ก็ดับนะเกิดแล้วก็ดับไปแต่พอตีกันซ้าๆมันเกิดตลอดนะมันเกิดตลอดความคิดคือเหมือนกันที่มันความคิดได้ตลอดแสดงว่ามันมีการกระทบซ้ำๆซ้ำๆซ้ๆความคิดบางครั้งมันกระทบครั้งเดียวมันก็จบมันก็ตีละครตอนเช้าเราล้วซะก่อนเพ่งเว่งเวเว่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 มันมาจากทางไหนกันแน่อารมณ์มากระทบจิตคือสัมผัสมาทบกายหรือเสียงมากระทบหูหรือภาพมากระทบตามันเริ่มสำรวจละเวลามาเจริญสติเริ่มสำรวจลักษณะไหนสำรวจไปสัมรทจก็จะเห็นการเกิดดับเห็นการเกิดดับที่มันเกิดขึ้นในเรียกว่าจุตูปปัตยานเป็นญยางที่สองนะจูตูปปัฏฐานแล้วว่าจุติกับอุบัติ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 เลือกที่จะให้สิ่งการกระทบบีผลออกมาดีหรือไม่ดีท่านก็เลยรู้ว่าอ๋อผลของการกระทบเนี่ยมันออกอย่างละเอียดที่สุดออกมาเป็นอาสว ะ, อ, ะออกมาเป็นอาสวะเพราะ น, นั้นก็เลยรู้วิธีจัดการความคิดที่มันเป็นอาสวะคือความคิดที่ไม่ดีเนี่ยจัดการยังไงก็ไปควบคุมไม่ให้อ่า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 นี่เราจึงมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวตั้งรับของการกระทบกระทบทุกครั้งมีตัวรู้มาตรองรับอาสวะก็ไม่เกิดเพราะนั่นญานสุดท้ายเร้วาอวิชชาสวะอ๋ตรงนี้เองเพ ร, ะเราะนั้นจะเห็นว่าคาสอนพระพุทธเจ้านี่มีเหตุผลสามารถตรองตามเห็นจริงได้ไม่มั่วสามารถํำดับให้เห็นเนาะมันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้จึงมี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 เราท่านทุกคนควรจะยนให้จิตหมุนมาตรกะกลับมาข้างดีถ้าจิตนี้หมุนไปในทางข้างดีสิ่งที่ดีก็จะเสื่อมาหายสูญเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเข้าไปจิตนี้มันมีคนไกลที่กรอกกลับได้ไวเหมือนมีเป็นหลานไข่ในต้นเพียงแต่เรามีลมหายใจเท่านั้น เพราะนั้นเพียงรวมหายใจเกิดขึ้นปั๊บเหมือนเรากดโทรศัพท์ power off power on นะกดเปิดก็ stand by ทำงานได้แต่ะเวลาเมื่อใดเราต้องการที่จะพักผ่อนเราก็กด switch off o d e stand by นะไม่ได้ปิดเลยทีเดียวถึงวันสุดท้ายเราปิดแต่ถึงเวลาตายเนี่ยถ้าเราสามารถปิดแบบปิดโทรศัพท์ได้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 เพาความทุกข์มันไม่เข้าใครออกใครมไม่เลือกพี่เลือกน้องเลือกเพื่อนเลือกฝูง ม, มันเกิดได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักไม่รู้จักใช้มันนะดังนั้นในวันนี้นะเวลาที่เหลืออยากจะให้ไปทำความเพียรต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงนะอันนี้จะทาไม่ทำแล้วแต่เราจะเคารพตัวเองแค่ไหนก็ตรงนั้นที่เราจะได้ประโยชน์